สิขาบทที่ 8. ภิกษุณีเทอุจาระหรือปัสสาวะน้ำลายอยากเยื่อหรือของเป็นเดนภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังเทต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อเทแล้วต้องอาบัตปาจิตตี